วันนี้เป็นโนอกาสอันดีที่พวกข้าทั้งหลายมาจากเจ็ลทิศทั้งสี่มารมวมมาในสถ า, านที่แลว้วก็ะชามิตรอาสาหะบูชาคือวันนี้แหละเป็นวันคล้ายกับวันพระพุทธเจ้ากันตัดธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แต่ได้ตัดรูปเป็นสระธรรมจัพุทธเจ้ามาวันนี้จะเป็นวันแรกที่องค์เทศนาวันอาสาหะคือวันเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งเข้าพรรษาคือวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันอาสาหะพระองค์ได้แสดง พระธรรมเทศนาคือธรรมจักกะพัฒนาสูตเราพากรละลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่พระองค์มีพระเมตตากมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่พวกเราทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นผู้แสวงหาซึ่งโมฆะธรรมในที่ทุกแห่งทุกคน แสดงอสแสวงหาทุกประกาศนี่ยในสถานที่ใดๆดงลวงมดเที่ยวฝ่าที่ยกขโมลไปอีเวธสัญจรในด้วยพระองค์เองแม้แต่ชีิตร่างกายก็ไม่อารยอววรเรียกว่าทำทุกกกิริยาถึง6กวบษาจึงได้ครบของ พบของดีคือสัจธรรมทั้งสีของพระพุทธเจ้าเลยพบของดีดันพบของดีแล้วก็อยากจะเทศนาสังสอนในพวกพุทธบ ร, ริษัทวามไม่มีกิตหนีแนวแ น, น่นตรงเทศนามดเปิดเผยเลยที่เรียกว่าธรรมจักไม่เหมือนพวกเราทั้งหลาย ที่พาการต่อสแสวงหาทรัพย์สินทองโดยลงทุนลงแรงด้วยควมให้ทํานได้ลงทุนลงแรงด้วยการศึกษาเราเรียนหรือการทำมาค้าขายได้อะไรกันด้วยประการใดก็ดีแล้วก็ไม่ค่อยจะเปิดเผย มีเงินตั้งหมื่นตั้งแสนก็ไม่ค่อยเปิดเผยมีเงินเป็นล้านก็ไม่ค่อยเปิดเผยมีแล้วก็ปกปิดอำพรางก็นั่นแหละต่อเมื่อใดโจรมาขโมยเอาขอมามาลักเอามันเสียหายไม่ค่อยเปิดเผยว่าเสียเท่านั้นเท่า น, นี้ส่วนผู้ได้เจ้าเนไม่เป็นเช่นนั้นแม้เป็นของดีด้วยผูย้เจ้า ดีกว่าของเราณอนาคัคขังท่านเสาะแสวงหามาได้แล้วจิตใจท่านเสี่ยม้วยเมตตาปรารถนาที่จะให้พวกเราเห็นด้วยอย่าไปว่าแต่พระเจ้าเลยถึงแม้พวกเราทุกวันนี้ก็เถอะถ้าปฏิบัติจรินธรรมถ้าหากเห็นจริงเห็นแจ้งดยใจของตนเอง ย่อมเปิดเผยแก่เพื่อนมิตรสหายแม้แต่คนถูกนเปิดเผยมดเมื่อปิดดำพางเมื่อขีดหนีเหนียวแน่นเปิดเผยจนกระทั่งเปิดเผยจนสิ้นสุดธรรมะมีเท่าใดเอามาเปิดเผยแน่มดเป็นของดีดีเจตอย่างนี้แล้วก็เปิดเผยคน ให้คนได้รู้ได้เห็นเป็นธรรมทานแต่พระองค์หาได้ใช่หาได้เป็นธรรมทานเท่นั้นไม่ด้วยจิตเมตตาจริงๆฝ่าธนาให้ความสุขแก่คนจริงๆไม่ได้ไม่ได้จัดไม่ได้เจียรตินะว่าจะให้ทานคนที่ให้ทานไม่ต้องถือว่าเป็นของเรา เราอย่งางให้ทานแกคนอื่นทีนนี้ธรรมะที่พระองค์จะเกิดขึ้นมาในในพระชัยของพระองค์นั้นไม่มีคำที่ว่าเจตนาจะให้ทานให้ทานเท่าใดก็ไม่ให้ให้เท่าใดกด็ไม่หมดไม่สินเลยสักทียาพระองค์เทศนาธรรมจักนี่แหละของเรามีอยู่ทุกคนนั่นแหละ ธรรมจักรเรื่องว่นคนกว่าเห็นแล้วในตัวพระองค์เองจึงค่อยมาเปิดเผยในแก่พุทธ บ, บุิษสัทฝัังอริยสัจสีในธรรมจักรกระพงดัชนีสุดเรียกว่าโดยยนย่อเรียกว่าธรรมจักรทำไมยังเรียกธรรมจักร คือมันมีปริวัติสามอาการ12สองมันวนไปสามครั้งในสี่อย่างนะ่นะจึงเรียกว่าปริวัตินอาการทีสองปฏิจึงเรียกว่าปฏิวัติสามแต่ละอันอันนี้มีปฏิวัติสามคือเวียนสามรอบจึงเป็นอาการ12สองแล้วก็ท่านเทศนารวมว่า ปริวัติสาวการที่สองนี่ทาในจิตคณะจิตเดียวทาจิตในขณะจิตเดียวทันว่านัีน้นอันนั้นเรื่องของละเอียดหน่อยพระองค์พิจารณาเห็นชัดเย็นในโครงเอ ง, งแล้วยังคอยมาเปิดเผยแต่พวกเราก็นยากที่จะเข้าใจถึงไม่เข้าใจก็จะเทศน์ให้ฟังสักหน่อย ในตอนนี้ทุกเรียกว่าชาติาาาพิทุกขาชาลาพิทุขาวนาพิทุกัมอันนี้เรียกว่าทุกโตกาคือเทวทุกขโทปนาสุกปายาตทุกทั้งหมดมีชาติเป็นต้นเน่ยในตัวของเรานีไม่ได้มีที่อื่นมีในตัวของเราทั้งนั้น ส่วนทุกข์ปียยกยก่อยเล็กๆกน้อยนับในส่ว น, นนั้นเดียกวกาทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อันที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันอะไรคือตัณหาการมาตัณหาปัวตัณหาวิโัวตัณหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโภชภาพ ไม่พอใจในรูปเสียงสิโนโฟต้าฟ้าไม่อิ่มไม่เบื่อในโูปเสียงสินโฟต้าฟ้านั่นเรียกว่าสมุทยัยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนเราถ้าหากว่าพอใจแล้วอิ่มแล้วหมดเรื่องไม่อยากไม่กระหายแล้วสมบูรเรื่องเรื่องเราไม่อิ่มไม่พอี มันยังเป็นทุกข์ไม่อิ่มไม่พอก็ต้องแสวงหาเรื่อยไปพยายามหาเรื่อยไปก็เป็นทุกข์เรื่อยไปอันนี้จะเป็นเหตุหากจะมีปัญหาถามว่าเป็นฆราวาสอยู่จะทําจะอิม่มจะเบื่อจะพอหน่ายยังไงจะเดือดหน่ายยังไงเป็นฆราวาสอยู่ก่อนนั่นแล้วเป็นคราวาสเนี่ยนะวันนี้ไม่อิ่มไม่พอไม่เบื่อนะ ท่านยังเรียกว่าทุกข์ <c oughs> เป็นพระก็ทุกข์เหมือนกันขันต์ันหาว่าขันหาทั้งาสามมีอยู่มันก็ทุกข์เหมือนกันกามาจันหาความรักให้ยินดีพอใจในรูปเสียงทิ่มโหสถภาภาวะจันหาความอยากเปิดอยากหนีเมื่อ มีอะไรก็ไม่พอไม่อิ่มมันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยู่นั้นลำไปมันก็ไม่พอเหมือนกันนี่ปวนวินปวัตัญหามีแล้วไม่อยากมีมีแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากมีไม่อยากมีก็เป็นทุกข์เป็นเหตุได้เกิดทุกข์อย่ากบางคนมีรูปมีกายได้รูปได้กายมาแล้ว เป็นหญิงเป็นชายแล้วก็เบื่อใจรูดจจ ก, กายใจหญิงากจ่ายนั้นไโดย่าดจนตายก็มีนั่นแหะเป็นทุกข์อันนั้ น, น, อ, น, น, นอันนี้เรียกว่าตัณหาทั้งสามอย่างนี้เป็นเท <c oughs> <c oughs> นี่โลดหรือคานี่นี่โลดคือความดับทุกข์ มันก็อันเดียวกันนั่นแหละคือไม่อยา ก, ยา ก, กมาอากีอยากเป็นก็ไม่ว่าอยากมิอยากเป็นก็ไม่ว่าความวางเฉยลงไปได้มันจะทุกข์มาจากไหนแล้วคันความบางเบี่งกลางเฉยแล้วมันทุกข์มาจากไหนเอาเถอะถึงว่าล่าไปได้ก่อนในปัจจุบันก็เอา ล่าไม่ได้แล้วตลอดเรามีชีวิตอยูนล่าไม่ได้แล้วเอาปัจจุบันลองลองดูเสก่อนวางใจให้เป็นที่เฉยบางใจให้เป็นกลา ง, งๆลงไปนั่นแหละเป็นนิโรธแล้วเห็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วมักมีองค์แปดเป็นเหตุใ้ถึงนิโรธมัคคือคนทาง ทางที่จะให้ถึงนิโรธคือความหับทุกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิขึ้นตนสัมมาคือความเห็นคือความชอบคิฏฐิคือความเห็นนั้นความเห็นชอบนี่แม้มันยากมนกันไปเห็นอันตนนนันนั้นไอเห็นอันนั้นเป็นของชอบยังค่อยเห็น ความเห็นของตนเข้าใจเาเป็นของดีทั้งนั้นจะชั่วช้าเร็วตามซ้าสะไรก็เข้าใจเาเป็นของดีมันยา ก, กตรงนั้นเนี่ยเอเดนั้นพระพุทธเจ้าท่านเองว่าเมื่อพระองค์ได้สัตวรู้สัมมาสัมพุทธเจ้าสมาทิฏฐีเกิดขึ้นในตัวขององค์คือสมาทิฏฐีไม่เอียนเอียง ความเห็นนั้นเลยเอียงๆข้างซ้ายกว่าตรงเป็นกลางเลยถ้ายังเทศนาได้ทรมจกักทางสองแง่งคือว่าอัจจากิธรรมทานโยคทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเล่าเช่นทรมานตนพวกซื้อไอพวกซื้อสีพวกโยเคียงสาง ทำให้ระากลา ก, กรำอย่างกับพวกอินเดียยังมีทุกวันนี้อย่างที่เขาเล่ามาพวกไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนเห็นว่าเกิดขึ้สมาเกิดตัวเปล่าหรอกไม่ได้เอาผ้าผ่อนมาด้วยผ้พาผ่อนนี่เป็นตัวกิเลสไม่เปื้อนกายเสื่อหมอนก็ไม่ต้องเอามาหรอกไม่ได้มาหรอกแล้วมาหาใหม่อันนี้ก็เป็นกิเลสอันหนึง่ง เื่อมวังก็มาต้องใช้นอนคลิ้งเกิดหรื่ตามถนนต่างๆนั้นอาจารย์คิรไั้มาานิยมไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อของคนจากทุกข์ในพวกนั้นมันนอนอยู่ในแค่ถนนนั่นแหละมันไม่คนทุกข์แล้วพวกไอ้คำเพาไอ้นิคาพรเกาเรียกว่าคำคำพร ดนั้นอาจากย์คิดเรื่ม า, ามัธโยกการม่สุขครันนิยโคือว่ามันเป็นไปเพื่อกลามกิเลสมันเป็นเหตุให้มัวหมองเศร้าหมองท่านยังว่าทางสองอย่างนี้ทางสุดดงมมนเป็นไปเพื่อคนจากก องค์รู้ขึ้นมาในใจพระองค์ชัดขึ้นมาในใจพระองค์เยี่ยว่ า, ยานังอุทปาธิยานังยานคือจักสุอุทปาธิญานังจักตุคือดวงตาเห็นแจ้งตลอดแล้วในธรรมทั้งหลายคือเห็นผิดเปนถูกวม่าทุกอย่าง สมาธิถี่ของพระองค์ดำเนินตรงนั้นจากคุมวุทปาที่ญาณังญาณ น, นั้นได้เกิดขึ้นในใจของพระองค์ยิชชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงก็ได้เกิดขึ้นในในพระไถยของพระองค์ปัญญาวิเศษสูงสุด รู้จักเหตุจากผลรู้จักดีจกากตัวอย่าเอียดมอบมดทุกอย่างก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วอโลโกพระองค์รู้ขึ้นมาโลกนี้แจ้งมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แจ้งอย่างประทิพประจแจ้งของพระองค์ไงแจ้งโดยคงเข้าไปสอดส่องเห็นทุกสิ่งทุกประการไม่มีโลกเป็นธรรมล้วน โลกเลยกลายเป็นธรรมนั้นน่ะแหะเรียกอุทะไฟอโลกโกทปฝาดีที่จริงโลกก็เป็นโลกคนนั้นเนี่เกิดมาในโลกก็ต้องเป็นโลกคนนั้นเนี่แต่ว่าความรู้โฮ่งรู้แจง้งเห็นสิงทุกสิก่งธุประการมันกลายเป็นธรรมอย่างเห็นยังไงยังไงกลายเป็นธรรมได้ คนเกิดมาในโลกนี้มันเป็นโลกอยู่แล้วมดทางตนหนึ่งตัวนี่เป็นโลกทุกทุกทุกคนต้องเป็นโลกทย่งนั้นแต่พระองค์เห็นว่าเกิดขึ้นมามันแก่เจ็บมันตายของนี้เป็นของไม่ถิ่นอันนี้เป็นทุกทุกตัวตนทุกสัตว์ทุกงูเราเป็นเหมือนการมดนั่นนั่นแหละมันเป็นธรรม นี่่เห็นโลกเป็นธรรมโลกเลยไม่มีคองรานี้ที่พระองค์เกิดขึ้มานะั้นโดยที่ไม่ได้คิดนึกโดยที่ไม่คิดอะไรไม่คิดตามธหรบตรลาไม่คิดตามได้ยินได้ฟังมาจากคนไหนแต่หปาปราศกดขึ้นมานตนเองนั่นเรียกว่าพระสกนิยุขุะ คือดขึ้นมาโดยตนเองเราเป็นสาวกาพุทธะเป็นผู้ฟังคำสองพระเจ้าปกคือฟังอย่างนี้แหละแล้วก็พิจารณาตามคำสอนพทะเจ้าที่อธิบายมาฟังนี้หละก็เห็นชัดก่เห็นชัดคือมาเห็นจริงคือมาในใจด้วยตนเอง อันนั้นเรียกว่าสาวกพุทธะมันต้องอาศัยคนอื่นเพราะพุทธิเดาซะก่อนอย่าเพิ่งเคยคุ้มรู้ถ้าไม่ยินได้ฟังก็ไม่เคยคุ้มรู้โดยใจความทีธรรมจกักก็มีท่ามทีประการเท่านั้นคือว่ามีทุกขส ม, มุทัยโนดมัจขานีได้ไปวัดสามได้ปะนี่ยนะ ทุกสมุทรไทยนิโรธมากอันนี้เป็นตัวยืนแลยเนีย่ยืนตัวอยู่เลยเนี่ทุกเป็นควาของควรกาหนดสมุทรไทยเป็นของควคนละนิโรธเป็นของคำให้แจ้งมักเป็นของควรเฉริอนั่นเป็นปริวัติสองปริวัติสามค่ะนี้ทุกเป็นของควร ไอ้ทุกเรืองของคนหดเราได้กำหนดแล้วแล้วนี้ได้ได้กำหนดแล้วขานี้ทางมุทิตาเรื่องของคนละเป็นเป็นปฏิวัติเราได้ละแล้วเป็นปฏิวัติสามมีรอดเรื่องของควรทำให้แจ้งนั่นเป็นปฏิวัติสองเราทําให้แจ้งแล้วมัดเป็นของควรเจริญมัดหนึ่งเป็นองของคนทำเจริญหนึ่งเราทําให้เจริญแล้วเป็นปฏิวัติสาม จึงเป็นอาการชิบสองอาการชิบสองนี้เมื่อมันจะเกิดมันเกิดขึ้นมาในขณะจิตเดียวนะั้นไม่ได้ลำดับโดยที่วัดไอโลโดยที่อธิบายไี่ได้หรอกเกิดควบคู่ขนาจิตเดียวรู้แจ้งเห็นสิเงว่อถุสิงขึ้นอย่างอันนั้นเป็นของยากหาก คนใดได้ทำแล้วเกิดของรู้ขึ้นมานั่นแหละจะเห็นด้วยตนเองมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันรู้แจ้งอย่างนี้จริงเดยประการใดนั่นแหละมันจะเห็นด้วยตนเองธรรมอันนี้เป็นของลึกซึ่งสุกขมมากถ้าพุทธเจ้าท่านคพิ่ว่าหาอุบายต่างๆ พยายามอุตส่าห์พยายามค้นคัว้าหาแสวงหาอยู่ทั้งพอกประวัติศาสตร์จรึงค่อยได้ขึ้นมาพวกเราไม่คน้นคว้าหาสักทีเหมือนกับมดแดงเฝ้ามาม่วงไอ้พวกเราเหมือนกดดารมัดแดงเฝ้ามะม่วงเลยพวกเรพวกสมุนไยรโลดมักไม่ย่างนี้หมอด แต่ไม่พิจารณาเห็นษาสิพระพุทธเจ้าแนะ่ํนาก็เลยเฉยเสียพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านอุตส่าห์พยายามมาสอนพวกจิงเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่พวกเราควรจะรึกถึงพระองค์พยายามคนขวางหายได้มาแล้วของวิเศษวิโสเหมือนเหมือนกับพ่อแม่ ที่คิดถึงลูกถึงหลานได้ของดีๆมีคุณค่าประโยชน์มากคิดอยากจะให้ลูกให้หลานยิ่งยิ่งกว่านั้นจะจะ อ, อีกพระพุทธเจ้ามีเมตตาภาถนาอยากจะให้พวกเราคนจากถูกจะให้เราได้ดื่มอยากให้รับรสชาติพระธรรมเทศนานั้น แต่พูดที่เจ้าทาไมยังต้องมีห่วงวิกังวลอยู่อย่างมีปัญหาถามนะมันเป็นธรรมดาของที่ดีมีของที่ดีมีคุณค่าประโยชน์อย่างนี้ได้มาแล้วก็คิดอยากจะสวยแค่แก่คนอื่นแต่พระองค์หาได้เปี่ยงกังวลเกี่ยวข้องกับคนอื่นไหมเขารับก็ตามเขา พ่อม่ลับก็บเป็นเรื่องของเขาไม่เหมือนพ่อแม่ไ อ, อ, อ, อห่วงลูกของหลานพ่อแม่ห่วงลูกของหลานนี้ลูกไม่ทำตาบก็เกิดโทสมะมานะลูกทำตามก็ดีอกดีใจโครงหาได้เป็นเช่นนั้นไห่อยากแค่ให้มนุษย์ได้ดิบได้ดีได้รับรสชาติ ของเครือสธรรมเทศนาและของธรรมจักรธรรมอนั้นหากคนไหนรับไปก็เป็นของเขาตัางหากคนไหนไม่รับก็เป็นของเขาที่เขาไม่รับก็กรรมของเขาตัางหากของมอง ห, หวังสื่อไปได้อันนี้หละอธิบายเรื่งเรื่องทำไมจักเอาเต็งหัวคอยใจข่วง โดยโดยนตอกเพียงแคนี้แหละวันนี้เป็นวันสำคัญวันลาตาถาบุชาอย่างที่อธิบายฟังแล้วพระองค์ทรงทมทุกการคยาถึงหกปีถึงค่อยได้สำเร็จจนกระทั่งหอมสูกที่ บางคนเขาหาว่าตายแล้วแต่พระองค์ยังไม่ตายจิงเด็ดสําเร็จพระโพธิญาณจึงเอามาเทศน์นายเหล่าพุทธบรตรัทฟังธรรมะอธิโป่งเทศในทิโปง่งได้ทั น, นเราจะวันนี้จะทำอย่ า, างโง่ไม่ได้หรือวันเดียวก็ไม่ได้เลย ดัน้เราก็ะจากจะได้อย่างพระองค์อยากจะได้ความสุขอย่างโค้งอยากจะให้ดีเด่นอย่างโค้งแต่เราไม่ทําให้เท่าของพโค้งอนั้นหรือกึ่งนึงเที่ยวนึงก็ไม่ได้ให้ตั้งใจอย่างนี้เราจึงค่อยมีอุตสาหะพยายามทำโครงการภาวนาคนเราถ้งหาไม่เห็นทุกข์ เอาแต่ทุก้อนนั้นเอาแต่ความสุขนั้มาว่าเอาไม่เห็นทุกข์แล้วไม่เห็นธรรมเหรอเห็นทุกข์ที่สุดทีเดียวแหละจึงจะเห็นธรรมทุกข์นั่นแหละเป็นธรรมทุกข์เล็กเลน้อยก็เลยปล่อยเลยปล่อยละเลยงดเสียไม่เอามากำหนดติจารณานั่นก็ไม่เห็นธรรมสักทีที่ การที่จะให้เห็นทุกข์ทุกข์มันเป็นของละไม่ได้อย่าว่าทุกข์เป็นของคนกำหนดไม่ใช่ของขวรละประเทศหนาแล้วเป็นของคนกําหนดคือตัวของเราหนิไห น, ไหนมันจะทุกข์แน่นเนี่ยถ้าไม่กาหนดเขาไม่รู้เมื่อกําหนดรู้่าอ๋อมันเป็นทุกข์อย่างนี้เนาะ มันก็ค่อยเบาคายไปค่อยสบายไปหน่อยนานนะเข้าก็ไม่ถือสาถึงเรื่องทุกข์นั้นเรามุ่งเอาแต่ความดีนั้นจริงที่เราปรารถนามันมีคือความดีในใจของเราควาเบิกบานในใจของเราอิ่มเอิบในใจของเราท่า น, นั้นมันมีอยู่ของของเรามีทุกข์มันก็เลยหายไป ไม่ปรากฏตั้มอีกเหตุนั้นริงเราจึงค่อยทำคมเพียรภาวนาการทำควมเพียร น, นี้นอกจากจะตั้งสติกำหนดจิตแล้วไม่มีอะไรเลยพุทธศาสนาทั้งหมดที่ปฏิบัตินั้น ก็ตั้งสติแห่งเดียวตั้งสติอันเดียวกำหนด จ, จิตทั้งแม้ทั้งโลกของเขาก็เหมือนกันเขาก็ว่ากันอยู่คนทําอะไรเน่ดีไม่ไม่หยาดทีทัว่วคือขาดสติทําอะไรบ้างๆก็เผลอเนี่ยคือขาดสติคนนั้นคนนี้อะไรต่ตางๆมักพูดกันเยอะเสมอว่าเองนี่ขาดสติ แกนี่ขาดสติงั้นอย่างนี้แต่สตินั่นแค่นั้นตัวตัวสติแท น, นคือไม่รู้เรื่องว่าสติคืออะไรจะไปตั้งไว้ตรงไหนถ้าพุทธเจ้าท่านสอนว่าเอาสติไปตั้งไว้ที่จิตให้ควบคุมจิตให้อยู่จนกระทั่งจิตอยู่ในบังคับของเรา ใช้จิตได้ไม่ให้จิตใช้บังคับเราจิตใช้บังคับเราคื อ, อยังไงใช้ให้ร้องให้ให้ร้องให้ร้องโ ห, งใหง่ใช้หัวเราะเฮหาใช้ทาชั่วทําผิดทํำทุจริตต่างๆเราทําตามมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าจิตใช้เรา เราใช้จิตไคราวหนีง้งบังคับให้มันอยู่ในอำนาจของเรามันใช้แล้วไมไปใหามันอยู่บังคับม่ให้มันโกรธก็ได้บังคับไมให้มันโลภไม่ให้โลภก็ได้บังคับยาย ห, หลงโมเมาก็ได้ให้อยู่ในบังคับของเรา มันคับเป็นนิ่งอยู่ที่เฉยแต่ถึงมันคิดมันนึกก็รู้ตัวอยู่ถ้ามันคิดตั้งใจให้มันคิดนําปรุงมาแต่งสาัภาพทุกอย่างคนเราถ้าปรุงมาแต่งไปคิดให้ปรุงมาแต่งมันมันอยู่อยู่ที่เฉยไม่สิมันต้องมีอยาพุทธเจ้าของเราท่านก็ต้องมี แต่ท่านบังคับโผงได้เทศนาสั่งสอนประชาชนพุทธบริษัททุกสิ่งทุกประการท่านก้างมือมีเหมือนกันนะคกับเราท่านปรุงท่านแต่งเหมือนกันคราว น, น, น, น, นี้ทาราวังคับจิตได้อย่างว่านจิตจะมารวมเข้าเป็นอันเดียวหรือทันไม่มีหลายอย่างจิตจิตดวงเดียวน่ะน่ มันจิตหนึ่งร้อยแปดคนประกาศคล้ายๆกับวจิตหลายดวงดาวสองที่ยิงดวงเดียวมันไวมันเร็วที่สุดเราตามจิตไม่ทันยังเขาอยู่แนอนาจของมันจิตแท้ดวงเดียว อะไรที่จะเห็นจิตแค่ไหนะที่จะเห็นจิตดวงเดียวนะคือบังคับจิตให้อยู่เส ก, ก่อนดูหน้าของตนเให้ก่อนจะเห็นจิตช้าทีเดียวกันนี้จิตไม่เร็วหรอกเมื่อจิตช้าแล้วจะจิตมันจะรวมเองมันเข้าถึงอั ป, ปนาสมาธิที่สุดของศาสนาอบรมที่สูดของศาสนาคืออั ป, ปนาสมาธิ ฝึกหัดคือตั้งสติกำหนดจิตแล้วก็หัดจิตได้เรียกว่าจิตเป็นอันเดียวคือถึงเอกไอถึงเอกสตตาหรืออั ป, ปนาสมสาธิเพียงแค่นั่นแหละไม่มีนอกเหนืออย่างนั้นหรอกอันที่เกิดสัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเกิดจากสติอันเนี้ย ควบคุมจิตนไหมรู้จิตในทุกขณะมันก็เกิดสัญญาแล้วสนะิสัญญานี่เรียกว่าปัญญาสามัญของนักปฏิบัติสัญญาพัฒนามีอีกตัางหากแต่เพิ่งไฟฝันมาเลยมันยุ่สูงนะ่ะและมันมันก็ไม่ใช่แจ้งเอกของเป็นเองด้วยเมื่อมันเกิดมันก็เกิดในขณะเดียว ในขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่เกิดดีหรอกแต่ละามัดแต่เรามัดต่อมาสังตดาสกิทาคานาคาอาหารอะไรต่างเกิดขณะจิตเลี้ยวเท่านั้นได้ไม่เกิดดีมมมนะด ไ, ดไม่เกิดดีนี่ง เ, เป็นยังไงคะนี่มันจะไม่เสื่อมเออไม่เน้อลึกถึกอยู่เสมออันที่มันหายไปแล้วนั้นไอที่ใน ท, ที่มัน ที่มันไม่เป็นนั้ะเท้าหลังมัลึกถึงอยู่ก็เหมือนกับเราฝันนั่นแหละฝันไม่ได้นอนฝันอย่างเก่าหรอกไม่ได้ฝันอย่างอย่างเดิมอีกหรอกนอนวันคืนหลังก็ไม่ได้ฝันอีกฝันก็ฝันอย่างอื่นแล้วก็ลึกถึงคําฝันของตันนะอันนี้ก็เหมือนกันลึกถึงอันนั่นแ่ะเมื่อมันเกิดนั่น เกิดความรู้แจ้งแจ้งขึ้นมาภายในเห็นจริงเหรอพัดทั้งปวงมดเป็นสัตว์ต่วาตัวคนมนุษย์เราเขาทาั้งปวงมดทั้งโลกทั้งหมดเลเป็นธ่างผ้าอันเดียวทั้งหมดเลยถมมีตามนีม้สูงมดมีน้อยมีใหญ่ไม่มีหญิงมีชายมีจะตัสสิงนะ เราลึกเอานั้นว่าพิจรารณาอยู่ตลอดเวลายิปัสนาต้อเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เมื่เกิดโดบ่อยเมื่อเกิดหรอกมันเกิดโดยบ่อยนันเกิดจากชานเกิดสมาธิต่างหากเขาจะ เ, เป็นยิปัฒนาไม่ใช่หัดอย่างนี้แหละถ้ามันจำนีชจำนานมาเข้าถึงไม่เข้าถึงก็หัดแต่มันได้อย่างนั้นอยู่เสมอเสมอ ใจของเรามันค่อยอ่อนลงไปมันค่อยมีกําลังขึ้นจิตมีอันเดียวจะมีประโยชน่ยังไงโอ้ยนั้นประโยชน์มหาศาลทีเดียวมันก็ไฟเนี่ยไฟหลายดวงมันก็ลี่ลงทันทีแค่ไฟดวงเดียวมันก็สว่างจ้าเต็มที่จิตมันดวงเดียวมันก็สว่างจ้าเต็มที่ มันแยกไปหลายอย่างหลายดวงเันกหลีกมาใช่หมฮดทําจะมาที่ให้มันแน่วแน่เต็มที่ให้มันแน่วแน่เต็มที่เลยก่อนมันเป็นถึงเขเป็นอยู่นั่นละไม่ใช่วันสองวันมันจะสำเร็จมาคนวิภานทีเดียวทําไปทำไปจิตใจมันค่อยเชื่องค่อยคุ้นเคยเข้ามันชานี่ชานาญท้อ มันจะค่อยลากค่อยถอนจะทิ้งทิ้งไปเองหรอกิเลตทั้งหลายนะทิ้งไปโดยที่ไม่รู้ตัวเอาทําสมาธิครั้งนี้